านาไทเงือกสาวกับเจ้าชายกาะละครั้งหนึ่งมีเรือราชวังลำหนึ่งหลงทางอยู่ท่ามกลางลมมรสุมกษัตริย์เรนอนและลูกเรือพยายามอย่างยิ่งเพื่อออกมาแต่ว่าเรือนั้นติดอยู่กับหินขนาดใหญ่กลางทะเล <c oughs> <c oughs> ในไม่ช้าลมก็แรงขึ้น และน้ำเริ่มสูงขึ้นลูกเรือตื่นตระหนกและสวดภาวนาเป็นครั้งสุดท้ายออออออได้โปลดช่วยพวกเราในยามที่ลำบากด้วยเถอะโอดปล่อยพวกเราจากพายุที่ยิ่งใหญ่นี่เกิดคลื่นใหญ่ขึ้นและนางเงือกก็ปรากฏตัวโอ้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าเสียใจที่เจอท่านในสถานการณ์แบบนี้ เขาสามารถช่วยท่านและเรือของท่านได้นะกษัต ร, ริย์เรนอนแววตาส่องประกายด้วยความหวังแต่เพื่อเป็นการตอบแทนท่านต้องสัญญามาก่อนว่าจะมอบบุตรชายคนแรกแด่ข้ากษัต ร, ริย์เรนอนปรารถนาที่จะอุ้มบุตรชายของเขาแต่ตอนนี้เขาคิดว่าคงไม่ได้แล้วทำให้เขารู้สึกเศร้าใจเมื่อได้เห็นสีหน้าที่หวาดกลัวของลูกเรือกษัตริย์จึงยอมรับข้อเสนอของนางเงือกก็ได้ ลตกลงไม่ช้าเมื่อเขาตกลงคลื่นยักษ์ได้พาเรือออกไปจากโขดหินมาสู่บริเวณทะเลเปิดหลายเดือนต่อมาราชินีได้ให้กำเนิดบุตรชายกษัตริย์เรนอนได้ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับนางเงือช่างเป็นเด็กเที่ยวรูปงามข้าใจเขาชื่อว่าเจ้าชายเอรอนเจ้าชายเอรอนต่บขึ้นอย่างแข็งแรงและสง่างามไม่นาม กษัตริย์เรนอนก็จำคำสัญญาได้บุตรชายของเราได้รับการฝึกสอนเพียงพอแล้วเราต้องให้เขาออกไปเผชิญโลกภายนอกคงไม่ดีแน่ถ้าให้เขาอยู่ในวังเพราะมันจะเป็นที่แรกที่นางเงือกตามมหาเขาเจอโอ้ข้าเห็นด้วยกับท่านเจ้าชายเอรอนถูกเรียกมาพบและพวกเขาบอกทุกอย่างแก่เขาเขารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อจะได้เผชิญโลกกว้างท่านพ่อข้ายอมรับในความชานฉลาดของท่าน และาจะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทันทีเขาบอกลาท่านพ่อท่านแม่และเริ่มเดินทางตลอดทั้งวันเขาเดินบนถนนที่ขดเคี้ยวและป่าไม้สีเขียวพลิดเพลินกับฟงกระรอกและนกแต่ไม่นานเขาก็เหนื่อยละเหนื่อยจังเลยข้าต้องหาที่พักแล้วก็ทานมื้อเย็นแล้วละ่ะขณะเขาพบจุดที่จะพักเสียงฟ้าร้องได้ดังขึ้น เจ้าชายตกใจมากก่อนที่เขาจะเผชิญกับสัตว์ร้ายส่วนหัวเป็นสิงโตร่างกายเป็นหมีและมีปีกของนกฮัมมิงเบิร์ดเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้านุ่มข้ากำลังหลบหนีนางเงือกอยู่และข้ากำลังจะหาอะไรกินข้ามีอาหารข้าใจอาหารกก่เจ้าะ ยันส่งมันมาให้ข้ามันเลยเวลาอาหารเย็นข้าแล้วข้าจะหิวมากตอนนี้เจ้าชายเอรอนค้นกระเป๋าทันทีและมอบขนมปังกับผลไม้ให้กับสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายกินอาหารด้วยการกัดเพียงคําเดียวมันอร่อยมากๆเลยอาหารเนี่ข้าดีใจนะที่มันอร่อยอ่ะเจ้าตลกมาก ถ้าให้รางวัลแดนเจ้าเอาขนจากปีของข้าไปไปไว้ในกระเป๋าของเจ้านะเมื่อไรก็ตามที่เจ้าต้องการเจ้าสามารถใช้รูปแบบของสิงโตที่ยิ่งใหญ่มีสุดเจ๋งหรือเป็นนกที่รวดเร็วก็ได้เจ้าชัายเอรอนขอบคุณสัตว์ ร, ร้ายสำหรับของขวัญและบอกลาขณะเดินเขาคิดข้าอยากรู้ว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อตกเป็นสิงโตในไม่ช้าเขาก็กลายร่างเป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเห็นกรงเล็บสุดเจ๋งและแผงคอของเขาเข า, เขาแกว่งหางด้วยความดีใจสุดยอดเลยข้าชอบการเป็นปสิงโตราชาแห่งป่าเจ้าชาเอรอนเดินต่อไปและคิดกับตัวเองว่าสงสัยจังว่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นหมีเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเขาได้กลายเป็นหมีตัวใหญ่ที่มีขนและหนังที่หนาเจ๋งมากเลยระวังไว้นะเจ้าพึ่ง ข้าจะน้องหวานของเจ้ามาให้หมดเลยจากนั้นเจ้าชายเอรอนก็คิดกับตัวเองว่าการเป็นนกเนี่ยต้องแตกต่างจากหมีหรือสิงโตแน่ข้าต้องลองบันสักครั้งนึงบินสูงขึ้นไปเป็นอิสระเหมือนนกความสนุกของเจ้าชายนั้นไม่มีขอบเขตในมิชาเขาก็มาถึงอาณาจักรอันกว้างใหญ่และเขาตัดสินใจไปที่นั่น เขาบินไปยังพระราชวังและเห็นผู้คนในห้องโถงอาหารที่นั huh ่นเขาเปลี่ยนร่างกลับเป็นร่างเดิมและเดินเข้าไปฟังบทสนทนาที่เกิดขึ้นกษัตริย์เหนื่อยกับการหาคู่สมรสให้เจ้าหญิงท่านจัดเตรียมภาพของเจ้าชายที่หล่อที่สุดในโลกให้กับเจ้าหญิงแต่พระนางไม่ชอบใครเลยพระนางจะให้ทายาทแด้ท่านได้ยังไงกันล่ะเป็นข้านะคงแต่งงานกับเจ้าชายคนแรกที่ขอค่าแต่งงานเลย เจ้าดิช่างฉลาดสาวใช้เนินทามากกว่านี้แต่เจ้าชายเอรอนหยุดฟังพวกนางเขากลายร่างเป็นนกและออกตามหาเจ้าหญิงเขาบินขึ้นไปยังปราสาทและมองหาห้องของเจ้าหญิงผ่านหน้าต่างและในที่สุดเมื่อเขาพบเธอเขาบินเข้าไปเขากลายร่างกลับไปเป็นชายออเจ้าเป็นใครไม่ต้องกลัวนะเจ้าหญิงข้าไม่ทาร้ายท่านแน่นอนเลย และเจ้าหญิงก็ไม่กลัวอีกต่อไปเจ้าชายเอรอนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเขาให้เธอฟังว้าว <c oughs> ข้ารู้ใช่ไหมล่ะเจ้าหญิยงยิ้มออกมาข้าชอบท่านบอกอะไรให้ายพ่อของข้ากำลังจะมีสงครามและเลื่อมดาบของเขาไว้ที่ห้องของข้าชายใดที่นำดาบไปคืนเขาได้จะได้แต่งงานกับข้าและข้าอยากจะให้มันเป็นท่านนะและคนนั้นต้องเป็นข้า ข้าจะออกรบเคียงข้างกษัตริย์ข้าจะรอท่านเจ้าใช่เอรอนจากไปและเข้าร่วมกองทัพของกษัตริย์และตามคําบอกของเจ้าหญิงสามวันต่อมาพวกเขาเดินทางไปทําสงครามพวกเขาออกจากเมืองไปทางด้านหลังเมื่อกษัตริย์อุทานขึ้นมาว่าเขาลืมดาบของเขาหลายคนได้นําดาบของตัวเองมอบแดกกษัตริย์แต่เขาไม่รับของใครเลยข้าสู้ด้วยดาบเล่มอื่นไม่ได้นอกจากของข้า ใช้ได้ที่สามารถนํามันมาจากห้องลูกสาวของข้าได้ไม่เพียงแต่จะได้นางเป็นพันธุ์าแต่จะได้ปกครองอาณาจักรหลังจากข้าด้วยณจุดนี้อัศวินหลายคนหันหลังและควบม้ากลับยังเมืองในบรรดาพวกเขาคืออัศวินแดงที่ชั่วร้ายสังรู้กันว่าเป็นพวกทุจริตขณะที่พวกเขาขี่มา้าเจ้าชายเอรอนได้คิดแผนขึ้นเขาปล่อยให้คนอื่นนําผ่านไปและเขากลายร่าไปสิงโตและส่งเสียงคําราม เมื่อได้เสียงคำรามม้าของอัศวินก็ควบไม่ได้ในขณะที่เจ้าชายเอรอนมุ่งหน้าไปยังปราสาทเมื่อเขามาถึงปราสาทเขาได้กลายร่างเป็นนกและบินขึ้นไปยังหน้าต่างของห้องเจ้าหญิงข้ามาที่นี่เพื่อรับดาบฝาบาทเออเอรอนท่านทําได้นี่ดาบของพ่อค่าตอนนี้ไปชนะสงครามและกลับมาหาข้าให้ได้ตามพระประสงค์พระยาคะ แต่จำไว้ว่าถ้าข้าไม่ได้กลับมาด้วยเหตุอันใดก็ตามถ้าข้าถูกจับไปที่ชายทะเลแล้วร้องเพลงของท่านมันจะนำทางข้ามาหาท่านที่นี่นะจาไว้ให้ดีแล้วกันเจ้าหญิงพยักหน้าและมอบครึ่งหนึ่งของแหวนแก่เขาเขาจูบไปที่มือของเธอและบินออกนอกหน้าต่างหลังบินมาสักระยะเจ้าชายแอรอนรู้สึกกระหายน้ำเขาตัดสินใจหยุดในแม่น้าไกลๆแต่เขาไม่รู้เลยว่า มีนางเงือกลอยอยู่ไม่ไกลขณะเขาคุกเข่าจิบน้ำนางเงือกทำให้คลื่นสั์เขาและพวกเขาทั้งคุกก็หายไปใต้ผิวน้ำไม่นานนะักอสศวินแดงที่ผ่านแม่น้ำได้หยุดดื่มน้ำเขาดีใจมากที่เห็นดาวว่างอยู่บนฝั่งว้าวดูเหมือนจะเป็นวันที่โชคดีของข้านะเนี่ย เขาเก็บมันมาอย่างรวดเร็วและควบม้ากลับไปหากษัตัตย์และมอบมันแด่เขาหลังจากสงครามกษัตัตย์กลับมาด้วยการต้อนรับและการเฉลิมฉลองจากประชาชนแต่เมื่อเจ้าหญิงไม่เห็นเจ้าชายเอรอนในกองทัพที่ขี่ม้าหลังพ่อของเธอหัวใจเธอหอเหี่ยว อัศวินแดงแสดงความกล้าหาญอย่างมากในการต่อสู้และเขายังมอบดาบคืนแด่ข้าก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นและก็ตามสัญญาเขาจะแต่งงานกับลูกสาวข้าทั้งห้องส่งเสียงเชียร์เฉลิมฉลองเย้ยเย้ยเย้ดีัยด้วยนะทุกคนมีความสุขยกเว้นคนที่ต้องเป็นเจ้าสาวหลังจากวันนั้นเธอไปที่ชายทะเลและร้องเพลงของเธอออกไปในทะเล ท่านอยู่ที่ใดโอ้เจ้าชายท่านอยู่ที่ใดกลับมาหาข้าโอ้เจ้าชายข้าคิดถึงท่านหัวใจของข้าเพื่อท่านโอ้เจ้าชายหัวใจของข้าเป็นของท่านลึกลงไปในน้ํานางเงือกมีเจ้าชายแอรอนอยู่ในทะเลลึกเมื่อนางได้ยินเสียงเพลงของเจ้าหญิง น, นางอุทานขึ้นฟังสิคนรักของเจ้าร้องเพลงให้เจ้านะ ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยอะอาแต่ข้าได้ยินพวกเรานางเงือกรู้ทุกอย่างเหนือผิวน้ำนั่นแหละมันไปไปไม่ได้อะถ้าไม่เชื่อเจ้าเจ้าไม่เชื่อว่าพวกเรานางเงือกได้ยินทุกอย่างเหนือผิวน้ำอย่างนั้นเหรอไม่และข้าก็ไม่เชื่อว่ามีคนร้องเพลงบทนั้นอะเจ้าพยายามจะคุยกับข้าตัางหากล่ะนางเงือกอาข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูเจ้ามนุษย์น่าง้อ ดังนั้นนางเงือกจึงพาเขามาใกล้ผิวน้ําได้ยินหรื อ, อย่างล่ะทินนี้ไม่ถ้าไม่ได้ยินอะไรเลยมีแต่เสียงน้ําไหลหนางเงือกพาเขาขึ้นไปใกล้อีกตอนนี้ละ่ะไม่ถ้าไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงคลื่นน่ะดังนั้นนางเงือกจึงพาเขาไปที่ผิวน้ําข้ามั่นใจว่าตอนนี้จะคงได้ยินแล้วเจ้ารู้อะไรไหมมันไม่สําคัญแล้วทันที ที่เขาต้องการเขากลายร่างเป็นนกและหนีจากเงื้อมมือของนางเงือกไม่เจ้าชายเอร่อนบินด้วยแรงทั้งหมดมุ่งสู่คนรักของเขาเมื่อพบเขาเจ้าหญิงยืนขึ้นสวมกอดความรักของท่านนำข้ากลับมาข้าดีใจที่ท่านกลับมาที่รักแต่เราไม่มีเวลาแล้วรีบกลับไปที่พระราชวังเร็วเขา้าเมื่อพวกเขามาถึงพระราชวังเจ้าหญิงประกาศขึ้น ท่านพ่อชายคนนี้อ้างว่าเขายิ่งใหญ่กว่าอัศวินแดงข้าคิดว่าเขาเสียสติไปแล้วนั่นมันไม่เกินไปหน่อยเหรอเจ้าหญิงท่านข้ารูท่านมีมนคลังมากมายชายคนนี้อ้างว่าสามารถเปลี่ยนไปสิงโตได้ทำไมท่านไม่แสดงให้เขาเห็นว่ามันจบแล้วตอนนี้อัศวินแดงไม่เคยอ่านหนังสือเวทมนต์แม้แต่เล่มเดียวแต่เขาเชื่อว่าเขาเก่งกว่าใครใค เขาก็เลยพยายามและพยายามทำหน้าและคำรามพเจ้าทนดูไม่ได้เลยสิ่งต่ อ, อาจยากไปทำไมไม่ลองเป็นหมีละ่ะและอีกครั้งที่อัศวินแดงพยายา ม, มแต่เขาก็ล้มเหลงบางทีเราอาจพยายามสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินไปลองสิ่ง เ, เล็กเล็กอย่าง นกดีไหมจริงๆแล้วค่ะคือท่านช่วยเปลี่ยนเป็นสิงโตจริงๆได้ไหมหลังจากนางพูดจะาช่เอรอนได้เปลี่ยนตัวเองเป็นสิงโตและคำรามอย่างยิ่งใหญ่พวกคนในห้องพิจารณาคดีตื่นตระหนกแต่กษัตริย์ยังนิ่งเฉยแล้วหมีล่ะและนี่ก็คือหมีมาแทนสิงโตและสุดท้ายนก และในพริบตามียักษ์ได้เปลี่ยนเป็นนกฮัมมิงเบิร์ตตัวเล็กกระสัเฝ้าดูด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพราะเขารู้ว่าลูกสาวของเขากำลังทำสิ่งใดชายคนนี้เป็นผู้นำดาบมาไทา่หรือไม่ใช่นี่หละเขาเขาเป็นคนมหาค่าที่ห้องนอนและเป็นคนเดียวที่ขาจะแต่งงานด้วยเจ้าหญิงบอกทุกอย่างให้กับกริย์ฟังและเมื่อรู้ว่าอัศวินแดงโกหก กษัตริย์ส่งเขาไปยังคุกใต้ดินเม่นาทีต่อมาเขาก็ประกาศงานแต่งงานของทั้งคู่และอีกครั้งที่ทุกคนเพื่อปปติยินดีมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นใหม่และครั้งนี้เจ้าหญิงก็มีความสุขเช่นกัน